วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สาสิบอดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นการคังทำเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ความทุกข์ต่างๆนั้นหมดไปจากใจของเราได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมีผู้รู้อย่างพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการต่างๆแล้วนำอาไปปฏิบัติเพื่อให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเหล่านี้หมดสิ้นไปได้การฟังธรรมจะได้ทำให้เรารู้จักว่าเหล่านี้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงหรือไม่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นพุทธแท้ไม่ใช่พุทธเทียมถ้าเราได้ยินได้ฟังทำได้ศึกษาทมอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นั้นเราจะต้องทาอะไรบ้างก็คือเราก็ต้องทำหน้าที่ ของชาวพุทธเราให้สมบูรณ์นั่นเองถ้าเราเพียงแต่มีศรัทธาความเชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธหรือเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธแต่เราไม่ได้กระทำหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์เราก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง และจะไม่ได้รับคุณมับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างได้อย่างเต็มที่แลาจะไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปในโลกนี้ไปนานๆนนถ้าเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธได้สมบูรณ เราก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และเราก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่อย่างยั่งยืนถ า, าวรต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาตรวจตาดูตัวเราเองก็คือว่าเราทําหน้าที่ของแถวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้กระทําหรือไม่ แล้วเราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธนี่มีอะไรบ้างหน้าที่ของชาวพุทธที่จะทำให้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี้ก็มีอยู่สี่หน้าที่ด้วยกันหน้าที่ข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องศึกษาและทำคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่จะสอนวิธีการดับความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ข้อที่สองหลังจากที่เราได้ศึกษารู้จักวิธีของการดับความทุกข์ได้ถูกต้องแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ข้อที่สอง หลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์นั้นดับได้อย่างไรเราก็ต้องไปปฏิบัติตามวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆนั้นหมดสิ้นไปถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้ทำหน้าที่ข้อที่สามได้สมบูรณ์ก็คือเราจะได้บรรลุผลของการปฏิบัติ มารู้มากผลนิพพานคือการดับความทุกข์เป็นขั้นๆไปแบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันระดับโสดาบันระดับสกิดาคามีระดับอนาคามีและระดับพระอรหันต์ถ้าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติอย่างอย่างอย่างสมบูรณ์การบรรลุมักทั้งสี่มักผลทั้งสี่ขั้นก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาตามลำดับพ อ, อเราได้บรรลุถึงมากถึงผลเราได้เห็นการดับของความทุกข์ที่เคยมีในใจนั้นได้ถูกดับด้วย การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําส่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะสามารถทำหน้าที่ข้อที่สี่ได้ก็คือเอาความรู้ที่เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ ให้ได้หลุดพ้นจากความกองทุกข์ต่างๆให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หมดสิ้นไปถ้าเราได้ทำเสร็จทั้งสี่ข้อนี้เราก็จะได้ทำได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคือข้อที่สามได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วเราก็จะได้ ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยาวนานต่อไปเพราะการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่ในโลกนี้ได้นานไม่ได้นานนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับถาวราวัตถุต่างๆ mm hmm. เช่นโบสถ์เจดีย์ศาลาคุติพระพุทธรูปต่างๆที่เราสร้างกันนี้ มันไม่สามารถที่จะสอนให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกได้ถ้าเราไปหลงคิดว่าการสร้างถาวรลวัตถุต่างๆนี้เป็นการทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปนานๆก็จะไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะว่าการ มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ก็มีไว้เพื่อดับความทุกข์ของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่<ม>แต่ถ้ามีแต่โบสถ์มีแต่เจดีย์มีแต่ถาวรวัตถุต่างๆมีแต่พระพุทธรูป ก, <ม>การที่จะหลุดพ้นด้วยถาวรวัตถุนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้<ม>จะหลุดพ้นจาก ความทุกข์ได้ต้องหลุดพ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามวิธีการของการดับทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรลือและนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา<ม>ถามวอนลวตถกถามว่ามีความจำเป็นไหมมันก็มีก็ดีแต่ไม่ควรที่จะมีเกินความจำเป็นโดยหลักแล้วถามวอนละวัตถุ ก, ก็มีไว้เพื่อสนับสนุน การศึกษาการปฏิบัติเช่นเราก็ต้องมีสถานที่ไว้ศึกษาไว้ปฏิบัติเราก็ต้องมีวัดวาารามการมีวัดวาอารามนี้มันก็ต้องมีในเชิงส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการปฏิบัติไม่ใช่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างที่มักจะเป็นกันในปัจจุบันนี้ ตอนนี้จะนิยมสร้างทาววอและวัตถุที่ใหญ่โตที่สวยงามที่ดึงดูดใจให้คนมาชมมาดูกันมาท่องเที่ยวกันการมาชมมาดูทาวเวอและวัตถุต่างๆนี้ไม่ได้เป็นการที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของผู้ดูผู้ชมนั้นได้ได้ดับไปได้เลยแม้แต่นิดเดียว การมีถานวรวัตถุ ก, ก็มีไว้เพื่อสนับสนุนผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุนักบวชหรือคาะาวะาผู้ครองเรือน <c oughs> ก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสีไว้ในการดูแลร่างกายและมีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ ดพ้นจากความทุกข์ือต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดมิเวทก่าจาเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยบ้างมีกุฏิหรือมีกระตอบที่อยู่อาศัยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหรูหราไม่จำเป็นที่จะต้องสวยงามขอให้เป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถหลบแดดหลบฝนได้ก็พอ ตั้งอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกโดยเฉพาะถ้าเป็นวัดปฏิบัตินี้กุฏิหรือที่อยู่อาศัยนี้มักจะอยู่ห่างไกลกันไม่ให้เห็นกันเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติว่าได้อยู่ตามลําพังได้ปรีกวิเวกเพราะความเปรีกวิเวกนี้การที่อยู่ในสถานที่ ส ง, สงบวิเวกนี้จะช่วยทาให้การทำใจให้สงบสงดวิเวกนี้เป็นไปได้ง่ายเพราะการจะดับความทุกข์ทางใจได้ส่วนหนึ่งก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้นั่นเองเรื่องที่อยู่อาศัยก็จำเป็นแต่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างให้มันรูหราให้มันมีเครื่องอำนวยความสะดวกทางร่างกาย มากเจนเกินไปเพราะมันจะกายเป็นทาระทางด้านจิตใจ mm hmm. ต้องการที่อยู่อาศัยที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องมีการคอยดูแลสถ mm hmm. านที่ปฏิบัติตามวัดป่าวัดเขานี่มีแท่งกระต๊อบ mm hmm. มีที่หลบแบดดหลบฝน mm hmm. บางที่ห้องน้ําในที่ปฏิบัติเองก็ไม่มีในที่อยู่อาศัยไม่มีแต่จะมีห้องน้ําส่วนกลาง ไว้ให้ไปใช้กันเวลาที่มีความจําเป็นไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีแต่ก็สามารถอยู่ได้ถ้าต้องการใช้น้ําก็มีถังรองน้ําฝนเก็บไว้บ้างถ้าต้องการใช้ห้องน้ําก็ไปใช้ห้องน้ําส่วนกลางกันไม่ต้องให้มันมีมากมายหลายกองมีมากก็มีปัญหามากมีภาระมาก มีน้อยก็มีปัญหาน้อยมีภาระน้อยอยู่แบบเรียบง่ายที่อยู่อาศัยแล้วก็อาจจะต้องมีศาลาที่ทํากิจร่วมกันเช่นการทุกคนต้องรับประทานอาหารก็ต้องมีสถานที่ไปทากิจอันนี้ก็ต้องมีศาลาแบบ สามารถเนียยง่ายไม่ต้องหรูหราไม่ต้องสวยงามให้หลบแดดหลบฝนได้ให้เป็นที่ที่สามารถมาทำภารกิจที่จำเป็นได้เช่นการรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะเป็นที่ไว้สำหรับฟังเทศฟังธรรมรับการอบรมจากครูบาอาจารย์ท่านี้ก็พอแล้วสำหรับฐาวนลลวัตถุ เจดงเจดีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโบสถ์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างก็ได้ไม่มีโบสถ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าการบวชนี้ก็สามารถกําหนดที่บวชขึ้นมาได้ mm hmm. เดิมไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเป็นโบสถ์เป็นเจดีขึ้นมา mm hmm. อันนี้ซิ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องมีในท้าวทและวัตถุ สำหรับวัดป่าที่เน้นในการปฏิบัติก็จะมีเพลงเท่านี้มีสาราแล้วก็มีกุฏิลังเล็กๆอยู่ห่างไกลกันเพื่อที่จะได้ไม่เห็นหน้าเห็นตากันเท่านี้ก็พ อ, อส่วนปัจจัยอย่างอื่นก็คือเครื่องนุ่งห่มก็มีผ้าตายหนึ่งสำหรับก็พอสำหรับนักบวช สำหรับคลาว่าก็อาจจะมีสักสองสามชุดไว้ไว้สับเปลี่ยนกันชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไวส้สำรองเผื่อวันที่ฝนตกแล้วซักแล้วไม่แห้งก็จะได้มีชุดสำรองไว้ใส่เรื่องถาวรวัตถุเรื่องเรื่องวัตถุเข้าของนี้ถ้าต้องการที่จะมีก็ให้มีเท่าที่จำเป็น อย่าให้มีมากเกินความจาเป็นเพราะมันจะกลายเป็นภาระที่จะต้องคอยมาดูแลรักษาจะกลายจะเป็นการเอาเวลาของการปฏิบัติไปให้กับการมาคอยดูแลวัตถุเข้าของต่างๆควรที่จะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษถ้าต้องการที่จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะถ้าได้เพราะาได้ปฏิบัติมากมันก็จะบรรลุได้เร็วได้ง่ายถ้ามีเวลาปฏิบัติน้อยมันก็จะได้บรรลุได้ยากบรรลุได้ช้ากว่านั่นเองดังนั้นการมีฐาวารวัตถุในทางพระพุทธศาสนาก็ก็จำเป็นต้องมีเหมือนกันแต่ในยุครั้งแรกของการเผยแพร่พระพบุทธศาสนานี้ ในยุคในสมัยที่พระเจ้ทาทรงปฏิบัตินี้แทบจะไม่มีถาวรลวัตถุ ก, กันเลยเพราะท่านังเน้นการอยู่ตามป่าตามเขาตามตามเงื้อผาตามโขดหินอะไรต่างๆหาที่อยู่ตามธรรมชาติที่มีอยู่ไม่เน้นการก่อสร้างที่วัสัยอะไรต่างๆเพราะท่านไม่ต้องการที่จะมีภาระภาระในการก่อสร้าง ภาระในการซ่อมแซมเมื่อสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียก็ต้องคอยซ่อมคอยอะไรมันก็จะทำให้สูญเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไปยุคย ก, กรแรกในสมัยของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีพระพุทธรูปอย่างที่เรามีกันในยุคนี้สมัยนี้แต่สิ่งที่ท่านมีกันก็คือ พระ อ, อริยบุคคล น, นี่มีกันเกลื่อนมีกันเยอะแยะไปหมดมีพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพระ อ, อาหารตัไเพราะท่านเอาเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุปเป็นพระ อ, อริยบุคคลกันนั่นเองท้าไม่เอาเวลามาให้กับการสร้างถามวลวัตถุที่ใหญ่โตโมโหลานที่ ที่สวยที่ตื่นตาตื่นใจที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปที่จะกลายเป็นที่พุกพล่านที่จะทำที่จะเป็นที่ไม่สงบสงัดวิเวกพวกที่สร้างสาบันแลวัตถุต่างๆนี่ไม่ค่อยยังไม่ได้ปฏิบัติทำยังไม่ได้เห็นคุณค่าของการมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกกลับไปเน้นการสร้าง สาวอลอวัตถุที่ใหญ่โตมโหฬารเพื่อที่จะได้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในวันเมืม่อมีนักท่องเที่ยวมันก็จะมีรายได้มีเงินมีทองเข้ามาทั้งนี้เงินทองก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างไรบ้างถ้าไม่ระมัดระวังก็จะแทนที่จะเอาไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนในการ ิบัตเพื่อดับความทุกข์ก<ม>็อาจจะเอ า, <ม> เ, อาเอาไปใช้ใจ่ายตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพื่อสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นภายในใจก็ได้<ม> น, นี่ก็คือสิ่งที่เราชาวพุทธต้องถ้าเป็นพุทธแท้เราต้องรู้<ม>ว่าศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่แาวารลวัตถุ อยู่ที่ใจของผู้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจของพระโสดาบันใจของพระสกิดาคามีใจของพระอนาคามีใจของพาอาระอรหันต์นั่นแหละศาสนาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าศาสนาไม่มีพระอาริยบุคคลต่อไปศาสนานี้ก็จะเป็นศาสนาที่มีแต่เปลือกมีถาวรและวัตถุตา่างๆแต่ไม่มีเนื้อ ไม่สามารถที่จะใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ได้ถ้าฐานรรสวัตถิเป็นเครื่องมือที่ดับความทุกข์ได้พวกสัตว์ที่ไปอาศัยอยู่ตามโบสตามเจดีสุนัขบ้างพวกนกบ้างก็จะต้องก็จะได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านกันไปหมดแล้วห ร, หรือคนที่มาท่องเที่ยว ดูถาวราวัตถุต่างๆจุดทูกเทียนสามดอกกราบพระเาทพระสงค์แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถาวราวัตถุนี้ต้องต้องรู้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไรเขามีประโยชน์ในการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ ให้มีสถานที่ปฏิบัติที่สงบสงบัดวิเวกให้มีที่ดบแดดหลบฝนให้มีสถานที่ที่จะได้ปฏิบัติทาอย่างต่อเนื่อง mm hmm. นั่นแหละคือความจาเป็นของถานวัตถกุก็มีเพียงเท่านี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพูทแทนี้เราจะไม่ไปวุ่นวายเกี่กับการ สร้างฐานบริวัตถุต่างๆเขาก็อ้านกันว่าสร้างเจดีย์แล้วจะทําให้มีอมีที่ได้ศึกษาได้เจริญเจริญปัญญากราบไหว้ก็ได้แต่ได้แต่กราบไหวเท่านั้นแต่จะศึกษาอะไรจากพระเจดีย์นี่มันยากถ้าศึกษาจากพระเจดีย์ได้ก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีพระมา มาคอยสั่งมาคอยสอนไม่ต้องมีพระมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันอันนี้คือต้องรู้ว่าศาสนาอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุที่ดรูหลาที่ใหญ่โตมโหฬารที่วิจิตรพิสดารแต่อยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติใจที่ได้บรรลุ เป็นพระ อ, อริยบุคคลท่านต่างๆตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์นั่นแหะศาสนาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเราได้เข้าหาบุคคลเหล่านี้เราก็จะได้เรียนรู้คําสั่งคําสอนคำถูกต้องของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างต่างได้ ในโบสถ์เจดีย์พระพุทธรูปองค์ใหญ่องโตนี่ต่อให้ไปกราบไปไหว้ไปอยู่ไปนอนอยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์มันก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากโบทถจากเจดีย์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธแท้จะต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นศาสนาอะไรไม่ได้เป็นศาสนา อันไหนมีจาเป็นที่จะต้องมีอันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือธรรมะในใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ถ้าไม่สามารถพบกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้โดยตรงเช่นไม่สามารถพบกับพระพุทธเจ้าได้โดยตรงก็ต้องเข้าหาคำสั่งคำสอนของท่าน ที่ได้มีการจดจำมาไว้ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนีถ้าเราอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปศึกษาจากพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกเป็นที่รวมคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรตวแล้ว สเดือนต่อมาพระองค์ก็ส่งประกาศก็ทำคําสอนแสดงธรรมเทศนาและธรรมเทศนาที่ได้ส่งแสดงก็จะมีพระภิกษุที่ได้ยินในฟังมาจดมาจํากันนล้มามาถ่ายทอดให้กับพระภิกษุรุ่นที่ตามมาในภายหลังแล้วก็มีการถ่ายทอดมาในตอนต้นก็อาศัยการจดการจํา แล้วต่อมาพอยมาอยู่ในยุคที่มีหนังสือสามารถบันทึกคําสั่งคําสอนเป็นตัวหนังสือได้ก็ปรากฏมีพระธรรมทีขึ้นมาก็าคือพระไตร่ิฎกนี่ mm hmm. การที่จะศึกษาการทำหน้าที่ข้อที่หนึ่งคือการคือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เราก็ต้องไปศึกษาจากแหล่งที่ ที่ที่ถูกต้องแหล่งที่ถูกต้องก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้นั่นเองเป็นแหล่งของพระธรรมคาสอนที่ถูกต้องสําหรับถ้าเราอยากจะศึกษากับพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปศึกษาจากพระไตรปิฎกไปอ่านพระสูตรต่างๆแต่ไม่อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านทั้งหมดทั้งพระไตรปิฎกก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาพอ เราก็ค้นหาพระสูตรที่สําคัญสําคัญที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทางใจไปศึกษาวิธีการดับความทุกข์จากพระสูตรที่แสดงเอาไว้เช่นไปศึกษาในพระคัมภีร์ในพระสูตรของพระสูตรอันแรกคือธรรมจากกับพระวตฒนสูตรอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เรา ถึงเรื่องของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆความทรมานใจเกิดจากตัรหาความอยากเกิดจากกามตัณหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าจากเกิดจากภาวะตัณหาความอยากล่ำอยากรวยอยากมีอยากเป็นอยากได้าะลาบยศสรรเสริญสุขและมีภาวะตัณหา ความอยากให้ราบยศสรรเสริญสุกที่ได้มาไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันหมดไปความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ทรมานเพราะจะไม่สามารถตอบสนองความอยากของตนได้เพราะว่าความอยากนี้มันไม่มีวันอิ่มวันพอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วสิ่งที่อยากได้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาที่ไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาในเรื่องของการดับความทุกข์ก็ต้องศึกษาเรื่องความทุกข์ความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากปัญหาความอยากแล้วถ้าเราอยากจะให้ปัญหาความอยากที่เกิดขึ้นนี้มันดับไปแล้วต้องทาอย่างไร เราก็ต้องรู้จักวิธีการดับการละตันหาสิ่งที่จะทาให้เราละตันหาได้ก็คือมักหรือเครื่องมือในการดับความความอยากต่างๆมักก็คือทานศีลภาวนาการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้ถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เราจะมีเครื่องมือที่จะสามารถประโยชน์การละตันหาได้ หยุภาวะตัณหาหยุดมีภาวะตัณหาได้เพราะเราหยุดตัณหาได้ความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเราก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษาไม่จาเป็นจะต้องศึกษาเพราะตายไปโดกทั้ง ทั้งหมดซึ่งมีมีอยู่มากมายมีเป็ น, 8, 4, น<ม>แปดหนึ่งสี่พันธรรมบทเราเพียงแต่ศึกษาธรรมะที่เน้นในการในหลักการของการดับความทุกข์เท่านั้นก็พอ<ม>เพราะว่าธรรมะทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่ามีเป้าหมายอันเดียวเท่านั้นก็คือสอนให้ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจ ซึ่งอาจจะสอนเป็นหลากหลายมุมมองด้วยกันแต่ก็มีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือมีไว้เพื่อสอนเพื่อให้เอาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป mm hmm. นนเราก็เพียงแต่ศึกษาหลักการของการดับความทุกข์ว่าหลับได้อย่างไรหลัก mm hmm. การของดับความทุกข์ก็คือการปฏิบัติ mm hmm. ทานศีลภาวนา mm hmm. ที่เป็นเครื่องมือหรือเป็นมรรคเป็นทางดําเนินทางปฏิบัติที่จะทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้<ม>แล้วก็เพียงแต่ศึกษาสามข้อนี้ก็พอทานคำว่าทานต้องทําอย่างไรศีลต้องทําอย่างไรภาวนาต้องทําอย่างไร<ม>อันนี้ก็พอเพียง<ม>ถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจ รายละเอียดเราก็ต้องไปปฏิบัติลองทาลองผิดลองถูกดูแต่ถ้ายังไม่ได้ผลดีก็อาจจะต้องไปหาแหล่งที่สอนธรรมะอีกแหล่งหนึ่งก็คือพระอริยบุคคลต่งตงางๆพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้จะสามารถสอนให้เรารู้จักหลักการของการดับความทุกข์ทางใจได้ เราก็จะสามารถสอนอุบายวิธีต่างๆในการที่จะใช้ในการกำจัดความอยากที่เป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ของใจเกิดขึ้นมาให้หมดสิ้นไปได้แล้วหลังที่สองก็คือต้องไปศึกษาธรรมะจากพระอริยบุคคลที่เราเรียกว่าพระสุปฏิปโนทั้งหลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะเป็นพระที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันหรือขั้นที่สองพระสะกิฎาคามีขั้นที่สาคือพระอนาคามีและขั้นที่สี่คือพระอาหารหันต์ถ้าได้ศึกษาจากท่านเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไปศึกษากับพระที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลท่านก็จะไม่สามารถสอนวิธีที่ รดับความทุกข์ให้ถูกต้องได้ท่านอาจจะสอนแล้วอาจจะทำให้เราหลงทางก็ได้เพราะตัวท่านเองก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุรดับความทุกข์จากการบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้แล้วท่านท่านเอามาสั่งมาสอนผู้เรีนคำสอนของท่านก็อาจเป็นคำสอนผิดๆถูกๆผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามก็อาจจะไม่ได้รับผลที่ควงจะได้รับก็เป็นได้ ดังนั้นก็ต้องรู้ว่ า, าพระที่เราไปศึกษาด้วยนี้สอนตามหลักที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่การที้เราจะรู้ว่าท่านสอนตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่เราก็ต้องศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนนี่ก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องมาศึกษาจากพระไตรปิฎกกันในเบื้องต้นเพื่อที่จะได้มีมาตรฐาน ในการวัดคําสั่งคําสอนของพระที่เราคิดว่าเป็นสุปฏิปนโนพระที่เราคิดว่าจะสามารถช่วยสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ว่าท่านสอนขัดกับหลักธร ร, รมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ <1> 1> ถ้าไม่ขัดก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามีการสอนที่ขัดกับหลักธ ร, รรมของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจะต้องเอามาพิจารณาให้รอบคอบก่อน ว่าเราจะเชื่อใครดีเชื่อพระพุทธเจ้าดีหรือเชื่อพระที่เราคิดว่าเป็นพระสุ ป, ปฏิปโนโดดูดีอันนี้ก็คือเรื่องขั้นตอนที่หนึ่งหน้าที่ข้อที่หนึ่งของของการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงก็คือเราต้องทําหน้าที่ศึกษาพระธระรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ากันก่อ น, อนเวลามีการแสดงธรรมเทศนาที่ไหนก็ไปฟังดู หรือแล้วหรือว่าเราสมัยนี้เราสามารถที่จะศึกษาจากขา้อตะปบข้อไตเป็นโดได้เองเลยเรามีมือถือเครื่องเดียวนี้ก็สามารถที่จ ะ, ะค้นหาพระสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ได้เพียงแต่ใส่เข้าไปใส่ชื่อเข้าไปของพระสูตรถ้าเรารู้ เพียงแต่ใส่เข้าไปวิธีการดับทุกข์ของพระวุทธศาสนาดับอย่างไรอันนี้มันก็จะมีข้อมูลต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ถ้าเราไม่ศึกษาก่อนแล้วเราไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกนั่นเองเพราะการปฏิบัติมันมีท่านมีตอนมันมีวิธีการที่ถูกและวิธีการที่ผิด ถ้าไม่ศึกษาวิธีการที่ถูกต้องก่อนก็อาจจะไปปฏิบัติวิธีที่ผิดโดยที่ไม่ดูโดยที่ไปคิดว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นต้องพยายามต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี้ก็มีวิธีการอยู่สามระดับด้วยกันระดับทำ ทำบุญทำทานระดับรักษาศีล ร, ระดับภาวนาเราต้องรู้ว่าทําไมเราต้องเราเร า, เราทําทานเพื่ออะไรเราทําทานเพื่อ <c oughs> เพื่ อ, เ พ, อ <c oughs> เพื่อละความอยากนั่นเองเรารักษาศีล <felt> <c oughs> ก็เพื่อละความอยากเราภาวนานก็เพื่อหยุดความอยากเพราะความอยากนี่มันเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเร า, เราก็ต้อง เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้วิธีของทานของศีลของภาวนาเช่นถ้าเราอยากไปเที่ยวอย่างนี้เราอยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตถภะอย่างนี้ก็เรียกว่าการมรัคหานะการมรรคฐานานี้ก็เป็นความอยากข้อที่หนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเพราะว่าถึงแม้ว่าเวลาไปเที่ยวจะได้ความสุขก็ตาม แต่มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาได้เสพได้เที่ยวมันก็มีความสุขแต่พอเวลามันไม่ได้ไปเที่ยวมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา น, นเหมือนกับยาเสพติดเรารู้ว่าถ้าเราเสพยาเสพติดแล้วเราจะติดเวลาที่ไม่ได้เสพมันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจทำให้เราหงุดหงิดใจ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดระดับรุนแรงหรือแบบไม่รุนแรงก็ได้แบบไม่รุนแรงก็คือเครื่องดื่มที่เราดื่มกันนี้กาแฟเครื่องดื่มต่างๆ่างบางคนก็ติดการเครื่องดื่มชูกาลังบางทีคนก็ติดเครื่องดื่มกาแฟบางทีก็สุาราอะไรก็ตามอะไรก็ตามเหล่านี้ถ้าเสพแล้วมันจะติดมันมเป็นของที่ไม่จำเป็นที่ต้องเสพ ถ้าเราไปเสพแล้วมันก็จะทําทให้เราติดเราต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอเราไม่สามารถไปหามันมาเสพได้เวลานั้นมันก็จะทําทให้เราทุกข์ทรมานใจขึ้นมาวิธีที่จะแก้การการที่เราจะต้องใช้เงินไปซื้อของเหล่านี้มามาเสพเราก็เอาเงินไปทําบุญทําทานแทนเช่นถ้าเราจะ มีเงินก็นหนึ่งจะไปเที่ยวเ้วก็เปลี่ยนใจบอว่าอย่าไปเที่ยวเลยเที่ยวแล้วมันติดเวลาไปเที่ยวก็มีความสนุกสนาน hey, เฮหาพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปหมดแล้วก็จะทําให้เราสึกเศร้าสร้อยองหงอยเหงาต้องออกไปเที่ยวอีกไม่ว่าจะไปเที่ยวกี่ครั้งพอกลับมาบ้านไม่นานมันก็จะสร้างความเศร้าซร้อยองหงอยเหงาต่อไปอยู่เรื่อยๆ วิธีที่จะแก้ปัญหาในการใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขตามความอยากนี่ก็คืออย่าไปใช้มันเอามาเอามาใช้ด้วยการทำบุญจะดีกว่าเพราะการทาบุญก็จะทำให้เราได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขแบบอิ่มอกอิ่มใจสุขใจสบายใจที่ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวที่เป็นความสุขแบบสนุกสนานคุ้นเครงร่าเริง แต่เป็นของชั่วคราวนะแล้วก็ปล่อยให้เราอ้างว้างปเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหิวโหยต่อไปแต่ความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี่มันจะทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสุขใจสบายใจแล้วก็จะทําให้ความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวนั้นลดน้อยลงไปตามลําดับทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปทําบุญแทน ต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับความอยากอยากไปเที่ยวไม่ต้องมาทุกข์กับการไปหาเงินหาทองเพื่ อ, อามาใช้ในการที่เราจะไปใช้ตามความอยากไปเที่ยวกันอนี้คือมาตรการการใช้เงินวิธีการใช้เงินที่ถูกต้องใช้เงินเพื่อละความอยากหยุดความอยากหยุดกา ม, มาตัณหา อย่าไม่ใช้เงินเพื่อสนับสนุนกามรติหานะเช่นอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินเพื่อสนับสนุนกามตัิหาให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นให้มีแรงต่อเก่าบางทีเที่ยวเที่ยวครั้งนี้แล้วไม่อิ่มใจคิดว่าต้องเที่ยวครั้งหน้าต้องเที่ยวให้มันหนักกว่านี้ต้องไปใช้เงินให้มันมากกว่านี้มันถึงจะรู้สึกมีความสุขกว่านี้แต่มันก็เหมือนกันพรอ พอได้ไปใช้แล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วความอยากที่จะเที่ยวอยากจะใช้เงินก็มีเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะบีบคั้นให้เราจะต้องลิ้นรนไปหาเงินหาทองมาไม่รู้จักจบจากสิน้นหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเราต้องการความอิ่มความพอจากการใช้เงินเราก็ต้องใช้เงินไปในทางตกเงนินข้ามกับความอยากเวลาเกิดความอยาก อยากไปเที่ยวเดี๋<ๆ>ยวยำเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญ<ๆ>ทาทานการทำบุญทาทานนี้เราสามารถเลือกทำกับใครก็ได้ถ้าเราต้องการใช้เงินเพื่อดับความอยากนี้<ๆ>ที่เขาบอกว่าเวลาทำบุญ<ๆ>ทาทาน sın, ต้องเลือกคนนีอันนี้หมายถึงว่าเราต้องการสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ธรรมะจากคนที่เราเลือกอ น, นี่เรียกว่าทำบุญทาทานเพื่อให้ได้ความรู้ได้ธรรมะถ้าเราทาบุญ<ๆ>ทาทานเพื่อให้เราได้ ควรู้ได้ธรรมะเราก็ต้องเป็นเลือกทําบุญกับคนที่มีธรรมะมากๆเช่นทําบุญกับพระพุทธเจ้านี่จะได้ธรรมะมากฟั <g ül> งเทศฟ <g ül> ังธรรมครั้งสองครั้งก็อาจจะบรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้เลย <g ül> ถ้าเราต้องการธรรมะจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเราก็ต้องเลือกคนที่มีธรรมะแต่ถ้าเราต้องการทําบุญเพื่อล่าความอยากที่เป็นเหตุที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเนี้เราไม่ต้องเลือกทํา เราเลือกก็ได้แต่เราเลือกเลือกตามความพอใจของเราเราเราชอบทำทานกับใครแบบไหนเราก็เลือกไปทำทานแบบนั้นเพราะการทำทานกับบุคคลต่างๆนี่มันก็เหมือนกับกินอาหารอาหารต่างๆมันก็เป็นอาหารเหมือนกันกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ให้ความสุขสบายความสุขใจความความพอใจเออคือ ถ้าเรากินอาหารที่ถูกปากถูกใจเราเนี่ยเราจะรู้สึกก็มีความสุขมากกว่ากินอาหารที่ไม่ถูกปากเราแต่ความอิ่มนี้ได้เท่ากันความอิ่มจากอาหารไม่ว่าจะกินอาหารที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามมันก็ทําให้เราเกิดความอิ่มดับความหิวได้แต่ความสุขใจความพอใจความดีใจความภูมิใจนี้อาจจะไม่มีถ้าเราทําบุญกับบุคคลที่เราไม่ได้ มีความชื่นชมยินดีด้วยอันนี้เราสามารถเลือกได้เพราะเป้าหมายของการทาบุญทาทานนี้ก็เพื่อดับ <c oughs> เพละความอยากทท้งนั้นเอง <c oughs> ส่วนความสุขใจความอิ่มเอิบใจความรู้สึก <c oughs> มีความปิติจากการทำบุญกับบุคคลบางบุคคลหรือจากองค์กรบางองค์กรอันนี้ <c oughs> เราสามารถเลือกทาได้ แต่เป้าหมายก็คือเราต้องการที่จะระ ง, งับความอยากตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรารั ง, งับการมาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิภภภ่นถดผลตภะการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นพภะมันก็มีหลายอย่างอที่พูดถึงนีการไปเที่ยวนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งการอยากซื้อของฟุ่มเฟือยก็เป็นการมตัณหาเหมือนกันการอยากกินอยากดื่ม อาหารที่ถูกปากถูกใจน้วยก็เป็นกามาตัณหาด้เหมือกันการอยากดูอยากฟังอยากดูละครอยากฟังเพลงอะไรต่างๆมันก็เป็นกามาตัณหาด้เหมือนกันหรือแม้การอยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้มันก็เป็นการมาตัณหาได้เหมือนกันคนสมัยนี้ทุ่มเทงเงินทองเพื่อที่จะได้ไปร่วมหลับนอนกับค น, คนที่เขาอยากจะร่วมหลับนอนด้วย <ved> ไปซื้อประเพณ ไปซื้อบริการทางเพศกันอันนี้ก็เป็นการมาตัญหาเหมือนกันทุกครั้งที่เราจะต้องการเอาเงินไปซื้อความสุขจากการเสพการแล้วก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทาทานเพราะเป็นการวิธีกำจัดหรือลดละความอยากเพราะความอยากมันจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากเช่นครั้งนี้นเราอยากไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเนี่ย ครั้งต่อไปความอยากไปเที่ยวมันจะกำลังมันจะลดน้อยลงไปมันมันผิดกับการที่เราครั้งนี้เราอยากไปเที่ยวแล้วเราแล้วเราเอาเงินไปไปเที่ยวเนี่ยมันจะทําให้คราวหน้าความอยากมันมีรุแนแรงขึ้นกว่าเก่ามากขึ้นกว่าเก่าแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปใช้กับการไปเที่ยวเราเอาไปทําบุญแทน ความอยากไปเที่ยวคราวหน้ามันก็จะลดน้อยลงไปแล้วต่อไปเราก็จะสามารถเลิกทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากจะไม่มาคอยมาลบเรามาสร้างความหงุดหงิดสร้างความเศร้าซ้อยง ห, หงอยแงให้กับเราเ้อหนึ่งเราไม่ได้ทำตอบสนองความอยากความอยากมันจะอ่อนกาลังลงสองถ้าเราเอาเงินนี้ไปทำบุญทาทานเราก็จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่ทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความพออันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานใจเวลาที่เกิดความอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะไปดูไปฟังอะไรต่างๆอยากจะไปกินไปดื่มอะไรต่างๆนี่มันจะทำให้ความอยากเหล่านี้ลดน้อยถอยลงไปแล้วความกุดหยิดลำคาญใจที่เกิดจากความอยากก็จะลดน้อยถอยลงไปแลอาจจะ ไม่ปรากฏเลยก็ได้เพราะว่าเราเอาเงินนี้ไปทำบุญทาทานแทนเราไปเอาเราเอาเงินไปไปซื้อความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือเอาเงินไปซื้อความสุขจากการทำบุญทาทานไม่ใช่เอาเงินไปซื้อความสุขจากการตอบตอบสนองความอยากคือการมาตัณหาอันนี้คือหน้าที่ของการทำทานเป็นเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่เราจะ ใช้ในการที่เราจะกำจัดความอยากที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายคือการ ม, มาตัญหา<ม>อยากจะซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้อของฟุิ่มเฟือย<ม>เราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแทนเพราะว่ากระเป๋ารองเท้าเราก็มีอยู่เหลือเฟืออยู่แล้วถ้าจะซื้อจริงๆก็ต้องให้มันเป็นสิ่งที่ขาดแคลนจริงๆ มันจำเป็นจะต้องซื้ออันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความอยากมันเป็นความจำเป็นเช่นเสื้อผ้าไม่พอใส่ถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วเสื้อผ้าหายไปไปกับน้ำอย่างนี้นนก็ต้องไปหาซื้อเสื้อผ้ามาซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ไอ้อย่างนี้ก็จำเป็นเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเสื้อผ้าข้าวของเงินทองข้าวของต่างๆมันไหม้ไปหมดถูกไฟไหม้ไปหมดเราก็จาเป็นที่จะต้องซื้อมา แต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อมาให้มันมากมายเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ซื้อมาเท่าที่จาเป็นเราใช้<ม>ใช้แบบมากน้อยสันโดษเราก็ไม่ต้องซื้อมากนะ<ม>เพราะการซื้อมย์ก็หมายถึงการเสียเงินเสียทองหมายถึงการจะต้องไปหาเงินหาทอง<ม>การไปหาเงินหาทองมามาเพื่อมาตอบสนองตันหาความอยากก็เป็นความโง่เขลา<ม>ไปหาเงินทองมาด้วยความเหนเ็ดเหนื่อยเพื่อมาสนับสนุน ตันหาความอยากตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราถ้าไปหาเงินทองแบบนี้อย่าไปหาดีกว่าแต่ถ้าไปหาเงินทองเพื่อไปซื้อของจำเป็นเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายอันนี้เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเราต้องรู้จักวิธีการใช้เงินการหาเงิน่าถ้าเราจะหาเงินเราหาเงินมาเพื่อมาเลี้ยงดูสิ่งที่มีที่สิ่งที่มีความจาเป็นที่เราจะต้องเลี้ยงดูเช่นร่างกายของเรา ร่างกายของเราต้องการปัจจัยสี่เราก็ต้องมีปัจจัยสี่ให้ร่างกายเพราะถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่มันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้อันนี้ก็คือเรื่องของทานเรื่องของเงินทองถ้าเรายังยุ่งเกี่ยวกับงานเงินทองอยู่ถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองแล้วเอามาใช้เงินใช้ทองเราต้องรู้แล้วก่อนว่าเราเอาเงินทองมาใช้กับอะไร ถ้าใช้กับความขาดแคลนของปัจจัยสี่อันนี้เป็นการใช้เงินที่ไม่เป็นโทษเป็นคุณเป็นประโยชน์<ม>ช่วยทำให้ร่างกายของเราอยู่เป็นปกติสุขเพราะเราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อมากาจัดความอยากต่างๆที่มีอิูในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ เราต้องรู้ว่าเราไปหาเงินหาทองมาเพื่ออะไรแต่ถ้าหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะามาใช้ตอบสนองตันหาความอยากอันนี้เป็นการมาทําร้ายจิตใจของตนเองเพราะตันหานี้เป็นฆ่าศึกศัตรูเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานั่นเองถ้าเป็นอย่างนี้เราอยากไปหาเงินดีกว่าถ้าหาเงินมาเพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ถ้าหาเงินแบบนี้อย่าไปหาดีกว่าหาแล้วมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราทําไมสู้ปล่อยให้ความอยากมันอยากดิ้นของมันไปอย่างนั้นถ้าเราไม่ตอบสนองความอยากเดี๋ยวมันก็จะหยุดดิ้นเองอยากไปเที่ยวพอไม่มีเงินไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็หยุดดิ้นเองอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยถ้าไม่มีเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยมันก็จะหยุดหยุดความอยากของมันไปเองแล้วต่อไปมันก็จะไม่มาลบควณใจเราอีกต่อไป แต่ถ้าเราไปหาเงินหาทองมาถ้บเป็นแทบตายเพื่อมาตอบสนองความอยากมันอยากไปเที่ยวอาหาเงินมาไปเที่ยวกันความอยากไปเที่ยวมันไม่หมดนะมันกลับมีเพิ่มมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเพราะนี่คือธรรมชาติของความอยากมันเป็นอย่างนี้ความอยากนี้มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆถ้าเราตอบสนองความอยากได้ขึ้นมันก็อยากจะได้สอมันจะขยายความอยากเพิ่มขึ้นได้สอก็อยากจะได้วา ตอนเด็กๆได้ได้เงินไปกินขนมวันละสิบบาทก็มีความสุขนะพอโตขึ้นมาหน่อยพอทํางานหาเงินได้ใช้วันละสิบบาทไม่พอใช้นะต้องร้อยบาทบางพันบาทบ้างหมื่นบาทบ้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทําตามความอยากนะมันจะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝืนความอยากได้ความอยากมันก็จะหดตัวลงหดตัวลงไปเรื่อยๆ เช่นเคยใช้วันละยี่สิบาทก็ลดเหลือสิบบาทดูต่อไปความอยากก็ไม่ไม่ถึงยี่สิบบาทอยู่แล้วอยู่แค่สิบบาทต่อไปเราก็ลดเหลือห้าบาทดูต่อไปมันก็ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้เพราะความอยากใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ไม่จำเป็นเรต้องใช้มันไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องเที่ยวก็ไม่ตายไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่ตายไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงมันก็ไม่ตาย ไม่ต้องกินไม่ต้องดืม่มเครื่องดื่มที่ถูกปากถูกคอก็ไม่ตายความอยากเหล่านี้เราควรต้องตัดมันแล้ววิธีที่จะช่วยให้เราไม่ทรมานเวลาเกิดความอยากเหล่านี้ถ้าเรามีเงินเราก็เอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนแล้วเราจะได้ความสุขได้ความอิ่มใจทําให้ความอยากความทุกข์ความหิวที่เกิดจากความอยากนี้มันมันมันมีกําลังน้อยลงเรียว่ามี มีอนุภาพน้อยลงเพราะว่ามันมีความสุขที่ได้จากความจากการทําบุญทาทานนี้มาทําให้ใจมีความสุขความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานมันก็จะไปกรความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้ <Yeah. S 2> อ น, นี่ก็คือหน้าที่ของการทําทานถ้าเรายังใช้เงินไปในทางที่ผิดอยู่ใช้เงินไปกับการ mm hmm. ตอบสนองความอยากต่างๆ mm hmm. เราเอามาทำบุญทำทานแล้วเราจะได้ความสุขใจอิ่มใจที่จะทำให้ความหิวที่เกิดจากความอยากนั้นมันไม่มีกำลังที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเพราะเรามีความสุขใจมาให้ความสุขกับเราจากการทำบุญทำทานแทนอันนี้ก็คือการปฏิบัติดับความทุกข์ด้วยการละความอยากด้วยการเอาเงินไปมาทาบุญทาทาน ทุกครั้งที่ความอยากยาเอาเงินไปซื้อของต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราก็เอามาซื้อความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานจะดีกว่าทำแล้วก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วความอยากก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปตามลาดับแล้วความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจที่เกิดจากความอยากมันก็จะไม่มันไม่มีพลังเพราะถูกต้านด้วยความอิ่มความสุข ที่ได้จากการทำบุญทำทานนี่ อ, อ, อันนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งของการบำบัดของการดับความทุกข์ของใจด้วยการไปลัต้นเหตุของความทุกข์ของใจก็คือตันหาความอยากอยากจะเสพลูกเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นการทำตามความอยากไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปหมดไป ความทุกที่เกิดจากความอยากก็ไม่หายไปมันจะก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องฝืนต้องไม่ทำตามความอยากในการเอาเงินไปทำบุญทำทานแทนนี่คือขั้นที่หนึ่งของการละความอยากความอยากขั้นที่สองก็คือก็อยากจะเสดการมเหมือนกันแต่ไม่มีเงินไม่มีทองก็เลยต้องใช้วิธีการทำบาปเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาเสดบางคนก็ทาอาชีพ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้มีรายได้ไปยิงนกตกปลามาแล้วก็เอาปลาเอานกมาขายก็ที่จะได้เอาเงินเงิทองมาซื้อตอบสนองตัต้หาความอยากเราก็อย่าไปทําอย่างนี้เพราะว่าการทําบาปนี้มันได้ได้ไม่คุ้มเสียการทำทำบาเพื่อมาหาซื้อความสุขตามตามความอยากนี่ความสุขที่ได้นี้มัน เชื่อประเดียวประเดาแต่ความทุกข์ที่จะตามนานนี้มันยาวนานเพราะบาปนี้มันจะติดอยู่กับใจความทุกข์ใจมันจะติดอยู่กับใจไปเป็นเวลายาวนานหลังจากร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปมันยังไม่มันมันยังไม่หายไปมันต้องไปใช้ต้องไปใช้กรรมก่อนต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนความอยากความทุกข์ที่เกิดจากการทาบาปนี่มันถึงจะหายไปได้ความบ ความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาป ก, ก็เป็นการเป็นฝ่ายตรงข้ามกับการความสุขที่ได้จากการทำบุญมันติดอยู่กับใจมันไม่หายไปมันจะอยู่ไปกับใจจนกว่าจะไปจะไปใช้ผลบุญใช้ผลบาปก่อนมันถึจะหมดไปได้รับผลบุญรับผลบาปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทำบาปเพื่อที่เราจะได้มีรายได้เพื่อที่เราจะไดเอามาใช้ในการ เสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสการมตัร ห, รรรหรันภาวะตรานานี้ก็ให้รู้ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียขาดทุนความสุขที่ได้เดียวเดียวแต่ความทุกข์ที่จะตามมานี้มันหนักกว่าักแสนสหาหัสกว่าและยาวนานกว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่าเมื่อทาบาป ท, ทาผิดกฎหมายทาผิดศีลผิดธรรมมันก็จะมีความวิตกกังวลบาดลัว วิบากกรรมของตนที่อาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้อันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์การทำบาปนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความทุกข์แต่ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์เราต้องไม่ทำบาปทุกครั้งที่เราอยากจะทาบาเพื่อที่เราจะได้เอาผลประโยชน์ที่ได้จากการทำบาปมาซื้อความสุขมาตอบสนองตันหาความอยากต่าง เราก็ให้หยุดเสียอย่าไปทําเสียวิธีที่เราจะทําให้เราสามารถหยุดความอยากจะทําบาปได้เราก็ต้องมีการรักษาศีลต้องรักษาศีลให้ได้ศีลห้า น, นี่แล้วการที่รักษาศีลห้าได้เราก็ต้องมีฮิริโอตปะฮิิก็คือความสำเนึกในความความอายในการกระทำบาปเพราะเรารู้ว่าเวลาทํำบาปนี้เราเป็นคนที่น่ารังเกียจ ไม่มีใครเขาอยากจะครบค้าสมาคมนุยกย่องด้วยจะมีแต่คนประนามมีแต่คนดูถูกเห ย, ยียดหยามังนั้นถ้าเราคิดถึงผลที่จะตามมาจากการทำบาปเราก็จะไม่กล้าทำบาปจะอายจะเป็นคนอายต่อการทำบาปกลัวบาปกลัวจะต้องไปรับผลบาปติดคุกติดตารางถ้าไม่ติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปเกิดในอภัยอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราหยุดความอยาก ที่เกิดจากการทำทำห ย, ห, ยหยุดหยุดยการกระทำบาปที่เกิดจากการอยากได้มีรายได้มีผลประโยชน์ในการที่เราจะได้เอาไปซื้อความสุขตามความอยากของกามาตาัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลประชนิดต่างๆ อ, อนี้ก็เป็นขั้นตอนขั้นที่สองขั้นที่สามของการหยุดความอยากก็คือการไปฝึกจิตไปทำสมาธิ ถ้าเราสามารถทำสมาธิทำจิตให้นิ่งให้สงบได้ความอยากมันก็จะหยุดชั่วคราวพอความอยากหยุดชั่วคราวปั๊บใจเราก็นิ่งใจเราก็เกิดความสุขอันมหาจรจารย์ปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการดับของของความอยากอของการดับของความทุกข์นี้จะทำให้เราได้อะไรเราจะได้ความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายคือการไปฝึกจิตไปหยุดความอยากเบื้องต้นก็หยุดความอยากด้วยสติหยุดได้ชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้หยุดความอยากด้วยปัญญาปัญญาก็สอนให้รู้ว่าการปล่อยให้ความอยากเกิดขึ้นมาการทำตามความอยากจะทำให้ใจทุกข์ทรมานการฝืนความอยากการไม่ทาความอยากการหยุดความอยากให้ได้นี้จะทาให ใจสงบทําให้ใจเกิดความสุขทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นขั้นที่เราจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตอนต่อไปเบื้องต้นก็ทําทานถ้าเรางใช้เงินในทองไปสนับสนุนความอยากอยู่แล้วถ้าเราไปทําบาปเพื่อสนับสนุนความอยากเราก็ต้องหยุดนนั้ด้วยการถือสีลห้าแล้วหลังจากนั้นเราก็มาหยุดความอยากด้วยการทําใจให้สงบด้วยการจเจริญสติแล้วหลังจากที่ออกจาก สมาที่มาออกจากความสงบมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทำความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจการหยุดความอยากเป็นการดับความทุกข์ให้กับใจพอเรารู้ว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ก็คือความอยากตัวที่ทำให้ใจมีความสุขก็คือการการหยุดความอยากเราก็อยากคอหยุดความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็จะหมดสิ้นไป การทุกครั้งที่เละความอยากให้แต่ละขั้นได้นี่เราก็จะได้บรรลุบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆต้องใช้ปัญญาทั้งยาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้สตินี้ยังไม่ถึงยังไม่ได้อยู่ในขั้นของพระอริยบุคคลต้องใช้ปัญญามาระความอยากที่ที่อยู่ในรูปแบบของสังโยชนิยอสิข้อด้วยกันละความอยากด้วยปัญญา ล ะ, ละสังสังโยชดได้หมดทั้ง10ข้อก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล4ี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอารหันต์ตามลําดับต่อไปพอถึงขั้นพระอารหันต์แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็หมดสิ้นไปความทุกข์ที่เคยมีมาเป็นเวลายอย่างนี้ยาวนานก็หายไปหมดใจมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดพอได้บรรลุ ดูพ้นจากความทุกข์แล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปใครสนใจอยากจะดับความทุกข์อยากจะรู้จักวิธีดับความทุกข์ก็สอนให้เขาได้แต่จะไม่ไปแต่จะไม่ไปต้อนให้คนเข้ามาฟังไม่ให้มาเรียนรู้ให้เขามาหาเราเองถ้าก็อยากจะรู้วิธีดับความทุกข์ให้เข้ามาหาเราเองถ้าก็สนใจก็สอนเขาถ้าก็ไม่สนใจก็อยากไปสอนเขาเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์응 การแสดงทำการสอนธรรมะนี่ต้องให้มีผู้ที่อยากจะฟังอยากจะเรียนรู้ถึงจะสอนได้ถ้าอยู่เฉยๆไปเอาไปรากเข้ามาให้มาเข้ามานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้เขาไม่ฟังหรอกเขาก็ยังไม่สนใจ <S <S <S <S นี่คือหน้าที่ขั้นสุดท้ายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วหน้าที่ข้อที่สี่ก็เอาธรรมะที่ทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกนี้ไปสอนผู้อื่นต่อไป นี่คือวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์ท่านทําอย่างนี้กันทั้งนั้นท่านทําหน้าที่ทั้งสข้อนี้ตามลําดับลําดับที่หนึ่งท่านก็ไปศึกษาจากผู้รู้หลังจากศึกษารู้วิธีการปฏิบัติก็นํำมาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องพอปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาบรรูุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ พอบรรลุแล้วรู้วิธีบรรลุแล้วทำอย่างไรก็ไปสอนผู้ที่สนใจต่อไปแล้วถ้ามีผู้ที่สนใจมาศึกษาเขาก็จะได้เรียนรู้เขาจะได้บรรลุเขาก็จะได้สืบทอดก็ทำคำสอนของพระอาจาให้อยู่ในโลกนี้อยู่ต่อไปได้เป็นเวลายาวนานศาสนาอยู่ได้ด้วยพระธรรมที่มีในใจของพระอริยาบุคคลกับพระธรรมที่อยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้ไม่ได้อยู่ พราะความเจริญทางด้านถาวรลวัตถุใจอย่างไรดังนั้นอย่าไปดลงกับการสร้างวัตถาวรลวัตถุที่วิจิตรพิสดารใหญ่โตมโหราทําด้วยโลหะที่มีราคาเช่นทองคงทองคําในทั้งตัวขอเหล่านี้มันเป็นวัตถุมันไม่สามารถสอนให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องอาศัยธรรมะคสององ า, ะ า, าอคสอนของพระเจ้าในพระไตรปิฎกปดี๋หรือคําสอนของพระอริยบุคคลที่มีอยู่ในใจของพระอริยบุคคลนี้ก็แล้ เพราะนั้นที่จะทําให้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะสามารถทําให้ศาสนานี้อยู่อย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนต่อไปได้นี่ก็คือวิธีตรวจตาดูว่าเราเป็นผู้แท้หรือผู้เทียมถ้าเรายังไม่ศึกษายังไม่ปฏิบัติไม่บรรลุไม่เผยแผ่สั่งสอนก็แสดงว่าเรายังเป็นผู้เทียมอยู่ถ้าเราอยากเป็นผู้แท้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ข้อเทหนึ่งพยายามศึกษาให้มากๆ ศึกษาแล้วก็นาไ ป, ป, ปไปปฏิบัติให้มากๆปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุธรรมแล้วบรรลุแล้วก็สั่งสอนผู้อนต่อไปอันนี้ก็จะทำให้เราเป็นพุทธะพุทธท่จะทํากุณทาประโยชน์ให้ทั้งกับตัวเราและกับพระศาสนาต่อไปนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันทูปนาวะโสยถามณิจเตออาะโสยถาสัพพิติยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจาวุธาปะจายโน ชตารธะวธรรมวาทันติอายุวันสุขังภาณังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ว่าเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดที่เหมาะที่สุด พราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะจะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปบ้างมาลาบ้างมาอะไรกันบ้างเฉั้นถ้าอยากจะถามคนจะถามในช่วงนี้เพราะว่าจะไดะ้เป็นเวลาที่ทุกคนนั่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวการถามตอบธรรมะก็จะได้มีรถมีชาติเต็มสมบูรณ์เฉะนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ถามได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะหน้ากุดจากทางเฟซบุกพระอาจารย์สุชาติสามร้อยหกสิบเก้าท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสามสิบยูทูบด็อร์วีห้าสิบหกวิทยุออนไลน์สิบคลับฮา์หกหน้ากุดหนึ่งร้อยี่สิบสามรวมทั้งหมดแปดร้อยเก้าสิบสี่ท่านค่ะ มีคำถามจะพูดรับฟังทั้งบ้านค่ะคำถามแรกหาตัวเราไม่เจอในอาการ32และหาตัวเราไม่เจอในนามะขันเมื่อจิตคิดเห็นความเจ็บปวดในจิตพิจารนาว่านามะขันทำงานไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวิธีนี้จะทำลายความโกรธความเจ็บแค้นได้หรือไม่หรือควรใช้วิธีไหนคะ ก็นั่นแหละวิธีที่จะทำให้เราไม่โกรธไม่แค้นก็ต้องหเห็นว่ามันไม่มีใครโกรธไม่มีใครแค้นมันเป็นสภาวะธรรมเราต้องหยุดความโกรธความแค้นให้ได้จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การฝึกของเราการพิจารณาของเราถ้าเห็นชัดเจนว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นดินฟ้าอากาศเราจะไปโกรธดินฟ้าอากาศทาไม เวลาฝนตกเวลาน้ําท่วมเราไปโกรนน้าท่วมหรือเปล่าเวลาแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวเราจะไปโกรดแผ่นดินไหวหรือเปล่าเราก็ไม่โกรธเพราะเรารู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฉะนั้นต้องพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่โกรธอะไรไม่โกรธใครไม่มีความทุกข์กับใครยอมรับสภาพ ถ้าเราอยอมรับสภาพาความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่โกรธใครข้อที่สองค่ะการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าหากได้ผลจะปรากฏว่าจิตหลุดพ้นจากปัญหาชัดเจนเหมือนเดินพระอริยาาสัจสี่หรือไม่คะอันนี้ต้องปฏิบัติดูต่อไปก็ไม่เกิดไปอยู่อะไร้องปฏิบัติดูแล้วก็จะรู้เองว่า ได้ผลหรือไม่อย่างไรแต่วิธีการถูกต้องแล้วคือวิธีการปฏิบัติพิจารณาตายรักอ น, นิจจทุกขงังอนัตตาเพียงแต่ว่าการพิจารณาของเรานี้มันรอบคอบมันทําให้เราเห็นแจ่มแจ้งหรือไม่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เรามไม่ใช่ของเราอันนี้อยู่ที่การพิจารณาด้วยปัญญาเหมือนทําโจทย์นะ โจทย์ก็เขาให้โจทย์ทางคณิตศาสตร์มาเราก็ต้องหาทําโจทย์ทําให้หาให้ได้คําตอบที่เขาต้องการให้ได้ถ้าเราทํำได้คําตอบได้แล้วก็สอบผ่านอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาแล้วดับความทุกข์ใจเราได้ก็เราก็สอบผ่านได้คําถามข้อที่สามค่ะ สภาพจิตใจของผู้ปฏิบตัติส่งผลตอบลลับที่ได้ในการปฏิบัติธรรมหรือไม่คะเคยทุกข์มากผิดหวังจากโลกจนไม่ยินดีอะไรในโลกนี้เลยไม่อยากได้ไม่อยากได้อะไรรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีค่าตอนนั้นการปฏิบัติธรรมได้ผลดีมากใจเป็นกลางดับทุกข์ได้แต่ต้องกลับไปทำงานใช้เวลาสิบเจ็ดปีจึงลาออกมา บัดนี้กลับมาปฏิบัติทำใหม่รู้สึกว่าจิตใจเกาะเกี่ยวกับโลกมากทําจิตใจให้เป็นกลางไม่ได้อีกซึ่งขอโอวาทคําสอนค่ะก็ต้องเจริญสติให้มากหยุดเพื่อหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ความผูกพันกับเรื่องทางโลกก็จะหายไปค<ม>อยใช้สติบาลิกามพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางโลก ไม่มีอำนาใจเราเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับเราเองไม่มีโลกเขาทุกข์ของเขาอยู่แล้วโลกเหมือนกองไฟมันร้อนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่กระโดดเข้าไปในกองไฟมันก็ไม่เราเราก็ไม่ร้อนที่เราร้อนกนะ็คือเรากระโดดเข้าไปในกองไฟเองโลกคืออะไรโลกธระทำทั้งสี่ลาบยศสรเสริญนัุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าเนี่ย มันเป็นทุกข์มันเป็นกองไฟแต่เรามองไม่เห็นเราระกับมองเห็นว่ามันเป็นห้องปรับอากาศเข้าไปแล้วจะเย็นจะมีความสุขได้ราบยศสรรเสริญมาแล้วจะมีความสุขแล้วเป็นไงดูคนที่ได้ราบยศมาตอนนี้ได้แล้ววุ่นวายไหมได้เป็นนายกแล้วอยู่เฉยๆได้เปล่านี้มีแต่คนไล่ต้อนอยู่ตลอดเวละต้องหาคําตอบหาอะไรมาตอบสนอง คำถามของเขาอืทําทําไม่ถูกใจก็โดนดายอยังยังอยากจะไปเข้าไปในกองไฟแตมองไม่เห็นว่าเป็นกองไฟคิดว่าเป็นห้องป่าประกาศเข้าไปแล้วจะเย็นจะสบายจะสุขอันนี้แหละคือโลกโลกกระทำนี่เป็นกองไฟถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มาเผาเราแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันเราก็โดดเข้าไปเล่นกับมันมันก็เผาเรานั่นเอง ฉัต้องมองให้เห็นว่าโลกโลกกตธรรมทั้งสี่เนี่ยมันเป็นกองไฟเป็นทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมีเกิดไม่ดับมีดีมีชั่วสลับกันไปมีสุขมีทุกข์ปนกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราแต่สุขอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเวลามันเจริญมันก็สุขเวลามันเสื่อมมันก็ทุกข์เวลามันโดนเขาเนินทางก็ทุกข์ยให้เขา ยกย่องสรรเสริญอยู่เพียง อ, อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะปากคนใจคนมันเปลี่ยนได้วันนี้นักเราชอบเราพวกนี้อาจจะเกลียดเราเบื่อเราก็ได้ฉนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะถูกไฟเผาก็อยากไปกระโดดเข้าไปในกองไฟไม่ไออกมามาอยู่ข้างนอกกองไฟอย่าไปมีราบยศสรรเสริญอย่าไปมีความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นนั่นแหละเราใจจะเย็นใจจะสบาย คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะคำว่าอนุโมทนากับคําว่าอนุโมทนามิมีความหมายว่าอะไรครับและมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับมันเป็นไวยากรณ์ของภาษาเขาภาษาเขาผู้หญิงก็พูดอย่างหนึ่ง<ม>ผู้ชายก็พูดอย่างนึง<ม>ผู้ชายก็มะผู้หญิงก็มิเท่า<ม> <laughs> น, นั้นแหละเหมือนภาษาไทยเราผู้ชายก็ครัาผู้หญิงก็ค่า มันก็ความหมายก็อันเดียวกันพะกับครับมันก็เหมือนกันมะกับมิก็เหมือนกันอางทีก็สองคนก็เป็นมะคนเดียวก็เป็นมิอะไรเงี้ยเรื่องของวยากณ์เราก็ไม่รู้รายละเอียดเพราะเราไม่ได้เรียนทางบาลีมาแต่พอจะทราบคร่าวๆไม่ไม่เป็นประเด็นสาคัญแต่อย่างใดประเด็นสำคัญขอให้รู้ว่าอะไรทำให้ใจเราทุกข์ก็พอแล้วหยุดการหยุดตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็จบมันจะทุกมันมันจะชื่อทุกขังก็ได้มันจะเชื่อว่าทุกก็ได้มันก็ตัวเดียวกันขอให้ดับมันได้ก็แล้วกันมีไหมค่ะมีคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะขอความเห็นพระอาจารย์เกี่ยวกับการจัดงานศพเจ้าค่ะก็จัดไปตามประเพณีก็แล้วกันอย่าไปสร้างเรื่องความอ่ เรื่องอะไรที่ผิดปกติก็แล้วกันเขามีทำเนียมเก็บสามวันก็เก็บสมวันก็มีทำเนียมเก็บเจ็วันก็เจวันแล้วแต่ครอบครัวของเราแต่ละคนก็ก็มีทำเนียมประเพณีของแต่ละครอบครัวมาไม่เหมือนกัน อ, อย่าไปอย่าไปยืนยันยันว่าต้องเป็นต้องเป็นอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้แล้วก็ไปขัดกับพี่น้องคนนั้นพี่น้องอคนนี้อแทนที่จะมาทําบุญร่วมกันกับกรทะเลาะกันนี้ไม่ควร ก็ดูตามขนรรมทำเนียมแบบเพลดีที่ทำกันมาก็แล้วกันเขาทำกันมาอย่างไรก็ทำไปเป้าหมายก็คือกำจัดซากศพเนี่ย<ม>ป่อยทิ้งไว้แล้วมันส่งกลิ่นเหม็นมันอยู่กับใครไม่ได้แล้ว<ม>ก็ต้องมีวิธีกำจัดมันจะเอาไปฝังก็ได้จะเอาไปเผาก็ได้เผ<ม>าเสร็จแล้วจะ เ, เก็บไว้ใน<ม>ในในโบสถ์ในเจดีย์ตามวัดต่างๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปเอาไปลอยอังคารก็ได้ลอยน้ําไป เกินสู่ท่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาปัญหาก็คือไปทะเลาะ ก, กันท่านอย่าไปทะเลาะ ก, กันเรื่องการจัดการงานศพยังไม่มีใครมีนะโอเคมี่กายอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะตอนนี้เดี๋ยวพอเราเลิกน้ออย่าถามนะเพราบางทีชาบมากระซิบถามไม่อยากให้คนอื่นรู้ ปัญหาก็เหมือนกันทั้งนั้นแหะไม่มีใครแตกต่างจากกันหรอกปัญหาก็คือกิเลสเหมือนกันนะอย่นเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเหมนคนไข้นะคนไข้มาหาธรรมะไม่ต้องอายเวลาไปหาหมอไม่ไม่อายว่าเป็นอะเป็นเพศเป็นเป็นเป็นภัยเป็นทุกข์ที่ตรงไหนก็บอกไปตามความเป็นจริงเป็นเรื่องธรรมดา ทำธรมสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติคะ่ะเราจะปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรจึงคิดว่าเราออกบวช <c oughs> ไปอยู่วัดปฏิบัติได้ตลอดเพราะอยู่เรือนแล้วไม่ก้าวหน้าถ้าอยู่วัดเขาจะมีระเบียบไว้เขาจะมีระเบียบว่าอยู่เรือนเจ้าถ้าอยู่วัดเขาจะมีระเบียบกว่าอยู่เรือนเจ้าคะ่ะลองซ้อมอยู่อยู่บ้านแบบอยู่วัดดูก่อนค่ะ ทำตามกฎระเบียบของวัดเขาวัดเขามีกฎระเบียบอย่างไรเราก็ไปศึกษามาแล้วเราก็กลับมาปฏิบัติที่บ้านเราไปก่อนทำบ้านเราให้เป็นวัดขึ้นมาก่อนพอ mm hmm. เราทำบ้านให้เป็นวัดได้แล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราสามารถไปอยู่วัดแล้วไปปฏิบัติตามกฎตามระเบียบได้แเ้าก็ไปบวชได้ถ้าเรายังไม่มั่นใจเรายังอยากจะแหกข้ออยู่ mm hmm. ก็อย่าพึ่งไป mm hmm. ไปแล้วเดี๋ยวก็จะอยู่ไม่ได้ ไปแล้วก็ไปออบกินข้าวเย็นบ้างแอบดูหนังฟังเพลงอย่างนี้เดี๋ยวเขาจับได้เขาก็เขาก็จะให้เราออกอยู่ดีแต่ mm hmm. ถ้าเรายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปถ้าเราพร้อมแล้วเราค่อยไปทดลองทํ า, าทบ้านให้เป็นวัดขึ้นมาก่อน mm hmm. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดที่บ้านไปก่อน mm hmm. ถ้าที่เราจะทําได้จนเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถไปอยู่วัดได้แล้วเราค่อยไป mm hmm. ไม่มีแล้วใช่ไหม ม, มีจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะการที่เรามีจิตใจวิตกกังวลต่อผู้มีพระคุณแต่เรามีปัญหาสุขภาพจึงไม่สามารถเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดได้เราควรวางจิตวังและปฏิบัติต้นอย่างไรคะก็เราก็าามองความเป็นไปได้เราทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้ก็ไปวิตกกังวลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ถ้าเราทําได้ก็ไปทําถ้าทําไม่ได้ก็ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความเป็นจริงอยู่างนี้ถ้าเราไม่สบายแล้วเราจะไปดูแลรักษาคนอื่นที่เขาไม่สบายได้อย่างไรในเมื่อร่างกายเราก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองถ้าเราจะไปดูแลคนอื่นได้อย่างไรก็มองความเป็นจริงแล้วมองความสามารถของเราถ้าเราสามารถทําได้แล้วเราไม่ทําอำนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตําหนิตัวเราเองว่า ทำไมเราไม่ทำกับท่านผู้มีพระคุณกับเราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราทำไม่ได้จริงๆก็ทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงไปคําคำถามสักคุณหนึ่งหรือไทยคะ่ะการนั่งสมาธิภาวนาให้เกิดผลมากๆในแต่ละวันควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะควรควรมีสติตลอดวันนะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ต่องพุโทโธพุโทโธไปเลย ถ้ามีพุทโธไปตลอดมันเวลานั่งสมาธิใจจะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นาน<ม>ถ้าไม่ ม, มีไม่มีพุทโธไม่มีสตินี่นั่งไปกี่ชั่วโมงก็ไม่สงบ<ม>นั่งไปแล้วก็มีตาค า, านฟุ้งซ่าคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้<ม>แล้วเดี๋ยวก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้<ม>แต่ถ้ามีสติมีพุทโธอยู่ตลอดเวลานี้ใจจะไม่ฟุ้งใจจะนิ่งใจจะเฉย<ม>พอเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เต็มที่เลย พยายามฝึกสติให้มากๆากก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันใจสงบสมาธิเกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสมาไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนวันตายก็ไม่มีวันสงบได้งนั้นฝึกสติควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นคิดถึงเรื่องนั้ น, น, นคิดถึงเรื่อง น, นี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิด ถ้ามีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็มาคิดเรื่องที่จําเป็นคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้ว ก, กลับมาอยู่กับพุโทโธถ้ามันจะคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันไปไม่ต้องใช้พุโทโธทั้งวันหรอกถ้ามันใช้พุโทโธไปจังกว่ามันจะไม่คิดตอนไม่คิดเราก็พักได้พักพุโทโธได้แล้วพอมันจะคิดใหม่เราก็คัอพุโทโธขึ้นมาใหม่คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ นิพพานตายแล้วไปไหนคะอะไรนะนิพพานตายแล้วไปไหนคะนิพพานก็คือใจที่ไม่ตายใจที่ไม่มีการไปเกิดใหม่ใจที่บริสุทธิ์ใจที่ได้รับการชาระความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปจากใจ้็ใจของผู้เรานี่แหละแต่ตอนนี้มันไม่เป็นนิพพานมันเป็นมันเป็นสังสารวัฏมันชอบไปเวียนว่ายตายเกิดพอเราปฏิบัติทำทานศีลภาวนา หดับความอยากต่างๆได้ใจมันก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมากลายเป็นนิพพานมันก็ไม่ไปเกิดใจของเราอยู่ในโลกชิปร่างกายนี้อยู่ในโลกกทานเชื่อมต่อด้วยกระแสของวิญญาณที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องที่ติดต่อกันติดต่อผ่านทางสัญญาณทางทางวิทยุสัญญาณวิทยุโทรศัพท์เครื่องสองเครื่องก็ติดต่อกันได้ ใจกับร่างกายก็ติดต่อกันด้วยสัญญาณของของวิญญาณวิญญาณส่งมาเกาะที่ตาเพื่อรับรูปเกาะมาเกาะที่หูเพื่อรับเสียงแต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายอยู่คนละโลกกันใจอยู่ในโลกทิพย์เวลาร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็อยู่ในโลกทิพย์ต่อไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณ จะเป็นถ้าเป็นบุญก็ได้เป็นเทวดาไปสวรรค์กันถ้าเป็นบาปทําบาปไว้ก็ไปนรกไปอาบายกันจนกว่าบุญหรือบาปที่ทําไว้มันหมดกําลังลงก็มาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทําอะไรตามความอยากต่อไปใหม่ก็ทำบุญทําบาปใหม่จนกว่าเราจะเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรามาหยุดความอยากต่างๆเอหยุดความอยากได้หมด ด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาใจเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาคำถามจากทาง Yuu-tube พระอาจารย์สุชาติค่ะโทษของความยินดีพอใจในการมตัญหาภาวะตัญหาและวิธีสู้กับความอยากยินดีต่างๆพวกนี้ครับไม่ต้องสู้ความอยากดีให้ทำอยากทำอยากจะนั่งสมาธินั่งไปเลยอยากทำทานทำบุญทำไปเลย อยากละ บ, บาปอยากรักษาศีลของมู้นนี้ไม่ต้องไปสู้ของมู้นนี้ต้องสนับสนุนความอยากแบบนี้ไม่ได้เป็นกิเลสความอยากแบบนี้เป็นธรรมะเป็นมัคเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหมือนยารักษาโรค ก, กินยารักษาโรคได้เวลาไม่สบายแต่อย่าไปกินเครื่องดื่มที่จะทําให้เกิดโรค ก, กินของหวานหวานกินของมึนเมาอย่างเงี้ยมันกินไปแล้วมันทําให้เกิดโรคอย่าไปกินน้องฝืนมัน แต่ถ้ากินยาในีหมอสั่งให้กินเท่าไหร่กินไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเพราะยาไปรักษาโรค ก, <ม>การทําความดีก็เป็นการไปรักษาใจให้สงบให้มีความสุขงั<ม>้นทํายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องไปต่อสู้กับความอยากทําดีให้ไปต่อสู้กับความอยากทําชั่วความอยากทําตามตีเหลตันหาคําถามจากทาง youtube ดรวี v. ค่ะ สรรเสริญและนินทาเป็นรูปราคาหรืออรูปราคาครับไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างเป็นโลกธรรมสรรเสริญนินทาเป็นโลกธรรมที่สัมผัสด้วยทางตาทางตาไอทางหูหรือทางตาเวลาใครก็ด่าเราก็ดูปียาการการด่าของเขาแล้วก็ฟังเสียงของเขาก็จะรู้ว่าเขากำลังด่าเราเวลาเขาชมเราเราก็จะรู้มันเป็นการเป็นการมคุณการมคุณ ก็รูปเสียงกิรลดพุทธะนั่นเองคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วตัวสั่นโยกเป็นเพราะเหตุใดครับผิดปกติไหมครับเพราะไม่มีสตินั่งแบบคนจะเข้าเข้าผีเข้าอย่างนี้น่เพราะไม่มีสติเพราะไม่มีสติผีมันก็เลยเข้าได้ถ้ามีสติมันก็เข้าไม่ได้ เวลานั่งต้องมีสติถ้ามีสติก็เหมือนเราตอนนี้เรานั่งคุยกันเนี่ยไมันทําไม่ขยับอะไรเลยเพราะเรามีสติคอยคุมจิตคอยคุมร่างกายแต่พอเรานั่งสมาธิเรากลับไม่มีสติกลับปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยไปคิดไปเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็สั่นขึ้นมามนู่นเข้ามานี่เข้ามาแต่มีสติแล้วก็จะไม่มีอะไรเข้ามาในจิตในใจของเราได้จิตก็เราก็จะสงบได้